สัมผัสสยองเรื่องที่เราจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เราและเพื่อนสนิทอีกสองคนได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ลึกลับที่เราและเพื่อนยังหาคำตอบไม่ได้เราและเพื่อนสนิทชื่อเหมียวและปานได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ฝึกงานที่ต่างประเทศไปทำงานที่อเมริกาช่วงปิดเทอมเราได้ไปที่รัฐลุยเซียนาแล้วพักที่นั่นซึ่งเป็นที่พักที่เรากับเพื่อนหากันเองโครงการไม่ได้มังคับว่าจะต้องอยู่ที่พักกับเอเยเราเลยจองที่พักออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Craigslist ก่อนเดินทางเราสามคนได้ที่พักที่ถูกมากตกสัปดาห์ละ70เหรียญหรือประมาณสองพกว่าบาทเท่านั้นเอง แล้วเราสามคนก็แชร์ค่าห้องกันห้องนั้นเป็นห้องเดียวมีห้องครัวเล็กๆหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโดยจะมีคนอื่นมาแชร์อยู่ด้วยในหลังนี้แต่จะแบ่งเป็นโซนของใครของมันทางเราก็ได้คุยกับป้าเจ้าของบ้านเขาดูเป็นกันเองมากและเหมือนดีใจที่เราเลือกไปอยู่กับเขาเพราะถึงวันเดินทางเมื่อไปถึง พวกเราก็เรียกแท็กซี่จากสนามบินไปที่พักแห่งนี้แล้วป้าเจ้าของที่พักก็มารอตามนัดที่หน้าบ้านให้กุญแจพวกเราเข้าไปในบ้านบ้านนี้จะมีอยู่สองชั้นเราสามคนได้ห้องพักชั้นบนจากนั้นเราก็เอาของเข้าไปเก็บและพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้านส่วนห้องข้างล่างป้าเจ้าของก็ได้บอกว่า จะมีคนอื่นมาแชร์กับเราด้วยแต่เราก็ไม่เห็นรถคันไหนมาจอดที่นี่เลยสักคันแล้วทุกห้องจะปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดเหมือนกับว่ามีเพียงเราห้องเดียวที่มาพักอยู่ในบ้านหลังนี้ตกกลางคืนด้วยอาการเจ็ดแหลกเวลาของประเทศไม่ตรงกันจากที่ควรจะเป็นกลางวันแต่กลับกลายเป็นกลางคืนเราก็เลยนอนไม่หลับส่วนเพื่อนของเราอีกสองคนนั้นหลับไปแล้ว เราเลยเปิดทีวีดูไปพังๆแล้วก็ได้ยินเสียงห้องข้างล่างของบ้านเปิดเพลงอยู่ซึ่งเพลงนั้นมีจังหวะคล้ายกับเพลงของคนผิวสีแบบโบราณมีเสียงกรองและได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงนั้นไม่ได้ดังมากจนรบกวนห้องเราแต่เราก็แปลกใจเพราะเมื่อตอนเย็นไม่เห็นรถหรือว่าจะมีคนอยู่ห้องข้างล่างเลย เราก็เลยเปิดหน้าต่างออกมาชะโงกหน้าดูข้างล่างว่าเขาทำอะไรกันแต่ปรากฏว่ามันมืดมากไม่เห็นแสงไฟจากห้องข้างล่างเลยและก็ไม่มีรถจอดแถวนั้นสักคันมีแต่เสียงมแมลงตอนกลางคืนร้องอยู่ในความมืดพอเรากลับเข้ามาในห้องเสียงเพลงและเสียงของคนหัวเราะก็หายไปแล้วดีความที่เรากลัวผีมากตอนนั้นก็ช็อกนิดหน่อย จะคิดว่าเป็นเสียงทีวีที่เปิดมันก็ไม่ใช่เพราะแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันมาจากข้างล่างคืนนั้นเราเลยรีบนอนและก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังหลังจากผ่านไปเกือบสัปดาห์เรากับเพื่อนๆก็เทนงานกันจนลงตัวแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ชาวอเมริกันบ้างแล้วชีวิตทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีแต่สิ่งที่แปลกก็คือ บ้านพักของพวกเราไม่มีใครมาอยู่หรือแชร์ห้องในบ้านของพวกเราเลยเราเคยส่งข้อความไปถามเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าปกติจะมีคนมาอยู่พอช่วงนีซัมเมอร์เขาก็จะกลับบ้านกันหรือบางคนก็ไปพักผ่อนที่อื่นแต่ในใจลึกๆของเราแล้วเราไม่เชื่อในขณะที่เรากับเหมียวกำลังกลับบ้านส่วนปานยังคงทางานอยู่ เมียวก็เล่าให้เราฟังว่ากูฝันร้ายมาสองสามคืนกูฝันว่านอนอยู่กับพวกมึงอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงคนเอาอะไรไม่รู้ลากผืนจากห้องข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วประตูห้องก็เปิดพวกมันเข้ามาในห้องใส่หน้า ก, กากขาวคลุมชุดขาวตาดําโตเบะปากโคตรน่ากลัวมันเข้ามากันหลายคนและสิ่งที่มันลากมานั้นเป็นขวาน ฟาดใส่หน้ามึงสับหน้ามึงกับป่านจนเละจากนั้นพวกมันก็นิ่งแล้วหันมามองหน้ากูทุกตัวกูขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกมันมองกูค้างแบบนั้นสักพักจนกูสะดุ้งตื่นหอบหายใจเหนื่อยภาพมันติดตา ม, มากแล้วก็แปลกที่กูฝันซ้ำๆแบบนี้มาสองสามคืนแล้วพอเราได้ฟังที่เพื่อนเราก็รู้สึกกลัว เราก็คิดว่ามันคงจะกินมากไปเลยฝันเยอะเราก็บอกเพื่อนไปว่าอย่าคิดมากแล้วเราก็แวะไปซื้อของที่ร้านคาระแวกนั้นซึ่งลุงแคทเชียเป็นคนดำเราเจอกับเขาทุกวันจนเขาจาได้แล้วเขาก็เริ่มคุยถามชีวิตพวกเราว่ามาทำอะไรที่นี่เราเลยบอกไปว่ามาจากประเทศไทยเพื่อมาฝึกงานแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ละแวกไหน เราเลยบอกตำแหน่งบ้านพักที่เราไปอยู่แล้วลุงเขาก็ทำหน้าแบบตกใจมากว่าทำไมเราถึงไปพักที่นั่นเราก็เหมียวมองหน้ากันว่ามันมีอะไรแปลกๆพอลุงถามว่าทำไมลุงกับบอกว่าให้ไปถามเจ้าของบ้านของเราเองพอเราเดินออกมาจากร้านเราก็หันไปมองลุงสายตาลุงเขาก็มองเรากับเหมียวตลอดเวลาเราเริ่มอยากรู้ แต่ก็ไม่กล้าถามเจ้าของบ้านไม่รู้จะถามยังไงดีเพราะเรากับเจ้าของบ้านก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นและเขาก็คิดค่าที่พักให้ถูกมากๆเราเลยเกรงใจแล้วคืนนั้นหลังจากที่ป่านกลับมาจากที่ทำงานเรากับเหมียวก็เล่าให้ป่านฟังเรื่องลุงล้านค้าและความฝันของเหมียวแล้วเราก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องเสียงที่ได้ยินในคืนแรก ปานทำหน้าช็อกแล้วบอกกับพวกเราว่ากูกลัวพวกมึงคิดมากกูก็เจอเหมือนกันเมื่อสองคืนก่อนที่กูเลิกงานแล้วกลับคำ่ำขณะที่กูกำลังเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วกูก็เหลือไปมองที่หน้าต่างห้องชั้นล่างกูเห็นเหมือนมีคนยืนหันหลังกันหลายคนเปิดไฟสลัวสลวมองไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกูหยุดชะ ง, งักแล้วกาลังจะก้าวขาลงบันไดเพื่อหันไปมองอีกรอบ แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีแต่ความมืดไม่มีแสงไฟและไม่มีใครเลยกูเลยรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องแต่ก็ไม่กล้าบอกพวกมึงกลัวพวกมึงกลัวแล้วเมื่อคืนตอนที่ปิดไฟในห้องเพื่อที่จะนอนแล้วกูยังนอนเล่นมือถืออยู่หางตากูก็เห็นใครไม่รู้ชะโงกหน้ามามองกูตรงหน้าต่างข้างเตียงเพราะกูหันไปมองเหมือนกับว่า มันรีบหลบไปหลังหน้าต่างอย่างไวกูคิดว่าอาจจะตาฝาดไปเองแล้วก็เล่นมือถืออีกพอเล่นไปสักพักมันก็โผล่มาอีกพอกูหันมองมันก็หลบไปกูเลยชะโงกหน้าไปดูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเมื่อเราได้ฟังดังนั้นก็กลัวมากเพราะหน้าต่างชั้นสองไม่มีระเบียงใครจะมายืนชะโงกหน้ามาได้แล้วข้างล่างตรงนั้นก็เป็นป่ารก เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนใช้บันไดปีนขึ้นมาเรากับเ พ, เพื่อนพยายามตั้งสติเพราะกลัวมากและคงไม่มีใครกล้าอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวอีกแล้วหลังจากนั้นสองสัปดาห์ผ่านไปเวลาเราไปทำงานและเลิกงานก่อนเพื่อนหนึ่งในสามคนของพวกเราจะไม่กลับบ้านก่อนคนเดียวจะนั่งรอเพื่อนที่ร้านจนไกวคนจะเลิกงานและกลับพร้อมกัน จนผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นก็เลยถามว่าทาไมไม่กลับบ้านไปก่อนเราก็เลยบอกไปว่าเหงาเพราะคิดว่าฝรั่งคงว่าเรื่องผีมันไร้สาระจนเข้าสู่สัปดาห์ที่สามที่บ้านก็ยังไม่มีเรื่องอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นทุกอย่างดูเป็นปกติดีจนเราคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้ววันนั้นเราเมียวและปาน ทำงานกะเดียวกันเราทั้งสามก็เดินเข้าไปในร้านและกำลังเอาของเก็บในล็อกเกอร์พนักงานแล้วจู่ๆผู้จัดการก็เดินมาถามว่าพาใครเดินเข้ามาในห้องนี้กับพวกเราด้วยพวกเรามองหน้ากันทำหน้างงแล้วก็บอกไปว่ามีแต่เราสามคนเท่านั้นแต่ผู้จัดการก็ยืนยันว่าเห็นคนเดินมากับเราด้วยใส่ชุดคลุมสีขาว หน้ากากสีขาวตาสีดําโตเมื่อเหมียวได้ยินดังนั้นก็ขนลุกเพราะมันเหมือนกับพี่เหมียวฝันในช่วงอาทิตย์แรกที่มาถึงเหตุการณ์นี้มันทําให้เราทั้งสามคนเริ่มกลับมากลัวกันอีกครั้งวันถัดมาเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาทักในตอนทํางานว่าเมื่อวานเห็นพวกอยู่ที่ท่ารถตอนเขาขับรถผ่านทํำไมเห็นเหมียวแต่งตัวแปลก เราเลยถามว่าแปลกยังไงเขาบอกว่าเหมียวใส่ชุดคลุมสีขาวชุดดูเก่าๆเราตกใจมากแล้วถามไปว่าจริงเหรอเขายืนยันว่าจริงเราสามคนเริ่มกลัวมากขึ้นเลยตัดสินใจเล่าเรื่องปแปลกๆภายในบ้านให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นฟังตอนแรกที่ไม่กล้าเล่าเพราะเห็นว่าเขาเป็นฝรั่งคิดว่าไม่น่าจะเชื่อเรื่องผี พอเราเล่าเท่านั้นแหละเพื่อนร่วมงานอเมริกันหลายคนก็มารวมที่โต๊ะเรานั่งฟังอย่างตั้งใจแต่ภาษาของเราก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นเลยพยายามเล่าแบบใช้คำง่ายๆอาจจะติดติดขัดขัดบ้างแต่พวกเขาก็เข้าใจเมื่อพวกเขาฟังจบ ก, ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันน่ากลัวมากพวกอยู่หาที่อยู่อื่นเถอะเดี๋ยวไอจะช่วยหาให้ และพวกเราสามคนก็ตัดสินใจจะย้ายที่พักเลยโทรไปหาเจ้าของบ้านว่าจะขอย้ายออกและขอเงินค่ามัดจําบ้านคืนด้วยแต่เรากับเขาตกลงกันไม่ได้จนทะเลาะ ก, กันเขาบอกกฎก็คือกฎและเขาต่อว่าเราค่อนข้างหยาบว่าเรายามาเลวไหลพูดพล่อยๆเรื่องผีในบ้านไร้สาระแล้วก็บอกว่ามีคนมาอยู่กับเขาทุกปี ทุกอย่างปกติดีพวกเราก็เลยคุยกันว่าจะยอมทิ้งค่ามาจําบ้านไปเสียแล้วเพื่อนๆชาวอเมริกันก็หาที่พักในตัวเมืองให้พวกเราได้เราไปตกลงกับเจ้าของคนใหม่แล้วก็ได้ที่พักมาในราคา115หเหรียญหรือราวๆ เ, เกือบ4 0 0พันบาทต่อคนต่อสัปดาห์แต่ก็ไม่เสียค่ารถในการเดินทางไปทำงานเพราะอยู่ไกลสามารถเดินไปถึงได้ ภายในเวลา1 0 1ถึงนาทีพวกเราสามคนก็เลยตอบตกลงในทันทีและจะย้ายเข้าในสัปดาห์หน้าเราทั้งสามล่งใจมากแต่ก็ยังต้องอยู่ในบ้านหลังเดิมนั้นอีกประมาณห6ถึงวันหลังจากที่พวกเรากลับบ้านในวันนั้นเมียวก็บอกว่ารู้สึกแปลกๆมนหมองไม่มีความสุขใจหายเหมือนกับว่ามีคนที่รักตายไป เหมียวโทรกลับหาที่บ้านทุกวันและร้องไห้ว่าอยากกลับบ้านแต่เรากับปานก็พยายามปลอบใจเหมียวว่าพวกเราอุตส่าห์มาที่นี่แล้วได้ที่พักใหม่น่าจะดีขึ้นหลังจากนั้นวันที่สองและวันที่สามเหมียวก็ดูใจลอยทำงานผิดพลาดหลายอย่างจนผู้จัดการบ่นและไล่กลับบ้านไปแต่เหมียวไม่กล้ากลับจึงนั่งรอพวกเราอยู่ร้านข้าง ซึ่งติดกับที่ทำงานเราเรากับป่านเริ่มรู้สึกเป็นห่วงเหมียวและถามว่าช่วงนี้เห็นอะไรแปลกๆในบ้านหรือเปล่าเหมียวก็บอกว่าไม่เห็นแต่มีความรู้สึกตลอดเวลาว่านอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรจิตตกกินอะไรไม่ลงเหมือนมีเรื่องใหญ่มากกำลังเกิดขึ้นอารมณ์เหมือนสูญเสียคนใกล้ตัวไปและเหมียวจะร้องไห้ตลอดเวลาตอนเล่าให้เราฟัง เราเลยคิดกับปานว่าอาการนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆเลยพยายามอยู่กับเหมียวพ่าวไปข้างนอกเปิดหูเปิดตาจนมาถึงคืนสุดท้ายที่พวกเราจะย้ายออกจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมียวตะโกนให้ตื่นเรากับปานตกใจตื่นขึ้นมาก็เห็นเหมียวเอามือถือเปิดไฟฉายส่องไปที่ปลายเตียงเราเลยรีบลุกไปเปิดไฟ แล้วเหมียวก็เล่าให้ฟังด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าตอนที่เรากับป่านนอนหลับอยู่นั้นเหมียวนอนไม่หลับกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อเหมียวมองไปที่ปลายเตียงก็เห็นชุดคลุมใสนากากยืนนิ่งหันข้างอยู่แต่เหมียวมองไม่ชัดเพราะมันมืดมากจากนั้นเหมียวก็หันมามองเรากับป่านเพื่อที่จะปลุกแต่เหมียวกลัวมากตัวชาไม่มีแรงที่จะตะโกนเป็นคําพูดออกมา พอเหมียวหันกลับไปอีกทีก็กลายเป็นชุดคลุมหน้ากากสองคนยืนคนละฝั่งของปลายเตียงและเลื่อนช้าๆสลับกันไปมาซ้ายขวาเหมียวคิดว่ามันไม่ได้ใช้เท้าเดินแน่ๆจนรวบรวมสติได้ก็หันมาปลุกเราสองคนพอเราสองคนตื่นเหมียวก็รีบหยิบมือถือเปิดไฟฉายและส่องไปยังปลายเตียงทันทีแต่ก็ไม่มีอะไรจนเราเปิดไฟ ทุกอย่างในห้องก็ปกติดีเราก็ปปานกลัวจนขนหัวลุกพยายามปลอบเมียวว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่เมียวนอนไม่หลับและเกิดภาพหลอนแต่เมียวก็ยังยืนยันว่าเห็นจริงๆตอนนั้นมีสติอยู่เต็มรอยและเหมือนกับที่เห็นในฝันเลยรุ่งเชา้าพวกเรารีบขนของออกจากที่พักโดยเรียกอูเบอร์มาและเก็บกระเป๋าขึ้นรถเพื่อที่จะไปยังที่พักใหม่ หลังจากที่พวกเราย้ายไปที่พักใหม่แล้วเหมียวก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมจิตตกและนอนไม่ค่อยหลับแต่อาการของเหมียวก็ดีขึ้นมากทำงานได้คุยได้ปกติเพียงแต่ไม่ค่อยร่าเริงเท่านั้นเวลาเพื่อนชาวอเมริกันชวนไปปาร์ตี้พวกเราก็ชวนเหมียวไปด้วยเหมียวก็ไ ป, ไปแต่ไม่กินเหล้าและไม่ค่อยเฮฮ า, ากับเพื่อนๆสักเท่าไหร่แต่เหตุการณ์ประหลาดที่พวกเราเจอนั้น ก็ไม่เกิดขึ้นกับพวกเราที่นี่อีกเลยเรามาอยู่กันที่อเมริกานี้ก็เกือบจะสองเดือนแล้วใกล้เวลาที่จะได้กลับบ้านป้าแม่บ้านของที่พักนี้เป็นชาวสเปนเลยพูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งแต่สื่อสารได้แล้วอยู่ๆเขาก็มาทักพวกเราว่าหลายวันแล้วที่เขาเห็นพวกเราเดินมาและมีคนใส่หน้ากากสีขาวเดินตามอยู่แต่หยุดอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าตึก เขาเห็นสองสมครั้งได้พอหันไปมองอีกทีคนใส่หน้ากากคนนั้นก็หายไปแล้ววันนี้เขาแปลกใจก็เลยมาถามพวกเราว่าคนคนนั้นคือใครพอพวกเราได้ยินดังนั้นก็เกิดอาการกลัวขึ้นอีกแล้วรู้สึกหวาดระแวงและพยายามจะถามเพื่อนร่วมงานในร้านทุกคนว่าเห็นคนใส่หน้ากากตามพวกเรามาอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครเห็นอีกแล้ว นอกจากป้าแม่บ้านในที่พักใหม่ของเราเราเลยปรึกษาเพื่อนคนอเมริกันในร้านที่สนิทอีกครั้งเพราะอาการของเหมียวน่าจะเป็นสาเหตุมาจากบ้านหลังเดิมเขาเลยตัดสินใจจะพาเหมียวไปที่โบสถ์ประจำของเขาเพื่อไปหาบาดหลวงแต่เราบอกว่าเราเป็นพุทธเขาก็บอกว่าผีที่นี่ไม่น่าจะเข้าใจในาศาสนาพุทธของพวกยุรอกมันก็คงจะจริงอย่างที่เขาว่า พอพวกเราชวนเหมียวไปโบสเหมียวกลับไม่ยอมไปบอกว่ากลัวก็เลยไม่ได้พาเหมียวไปตามที่เขาแนะนําไว้เวลาผ่านไปจนเข้าสู่เดือนที่สใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้กลับประเทศไทยเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอีกเลยพอถามแม่บ้านที่พักใหม่เขาก็บอกว่าไม่เห็นคนตามมาแล้วเราเลยคิดว่าเหตุการณ์น่าจะปกติแล้ว พรอเหมียวก็เริ่มอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติสามคืนก่อนออกจากเมืองนี้พวกเราก็เตรียมตัวไปเที่ยวที่รัฐอื่นก่อนกลับไทยเพื่อนคนอเมริกันพาไปกินเลี้ยงส่งที่ร้านท้ายเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเก่าที่เราไปมากนักในขณะที่กินเลี้ยงอำลาร้องไห้กอดกันตอนนั้นเราก็ได้เจอกับพนักงานเสิร์ฟในร้านเขาดูเป็นกันเองมาก ช่วงดึกๆพอไม่มีคนเขาก็มานั่งดื่มกับพวกเราคุยไปคุยมาเพื่อนชาวอเมริกันก็ให้เราเล่า เ, าเรื่องบ้านผีสิงให้เด็กเสิร์ฟคนนั้นฟังเพราะเด็กเสิร์ฟได้ฟังก็ทำหน้าตกใจแล้วถามว่าบ้านไหนเราก็บอกที่ตั้งไปนางทำหน้าตกใจมากยิ่งขึ้นไปอีกบอกว่าเขายังเปิดให้เข้าไปพักอยู่อีกเหรอแล้วนางก็บอกว่า นางรู้เรื่องประวัติที่บ้านหลังนั้นดีและเริ่มเล่าให้พวกเราฟังว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มาเป็นปีแล้วมีกลุ่มเรากลุ่มแรกที่เข้าไปอยู่เลยและคนที่มาอยู่จะอยู่ได้ไม่นานและมีปัญหากับเจ้าของบ้านทุกรายจากประวัติที่เล่ากันมาสมัยก่อนในบริเวณ น, นั้นเป็นชุมชนของพวกลัธทธิวูดู oo, และบ้านหลังนี้ก็เป็นศูนย์กลางของพิธี จะมีการจับผู้หญิงมาบูชายันเพื่อฆ่ารัดที่นี้สูญสลายล้มหายไปตามยุคสมัยแต่เหตุการณ์ประหลาดในแวกนั้นก็คือบ้านต่างๆในแถบนั้นก็พากันร้างไปทีละหลังคนที่มาอยู่ก็จะอยู่ได้ไม่นานและยังเกิดเหตุสยองในบ้านพักที่เราไปเช่าอยู่ด้วยเมื่อประมาณยุค60มีผู้หญิงตัวคนเดียวเธอได้มาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่ที่ชั้นบน โดยชั้นล่างก็ไม่มีคนมาอยู่เหมือนกับที่เราเจอเธอเช่าอยู่มาหลายปีแล้วจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หายตัวไปไม่ไปทำงานไม่ติดต่อยาิทุกคนต่างสงสัยเลยตามไปดูที่บ้านก็พบว่าห้องชั้นบนไม่ได้ล็อกของใช้ต่างๆอยู่ครบแต่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วสักพักพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาจากห้องชั้นล่าง เขาเลยลงไปแล้วเปิดประตูเข้าไปดูก็พบศพผู้หญิงคนนั้นที่ทุกคนตามหานอนอยู่ที่ชั้นล่างบริเวณผนังห้องจะมีชิ้นเนื้อและรอยเลือดติดอยู่จำนวนมากเนื่องจากผู้ตายได้ใช้หัวของตัวเองกระแทกกับผนังจนเละแล้วสมองก็ไหลออกมาและตายในที่สุดแล้วศพนี้ก็นอนอืดแบบนี้มาแล้วหลายวันเขาเล่าต่อว่า ตำรวจพยายามหาตัวคนร้ายว่ามีแรงจูงใจอะไรเพราะข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตายก็ไม่ได้หายไปแต่อย่างใดทำไมถึงฆ่าแต่ก็หาตัวคนร้ายไม่ได้แล้วคนในระแวะกนั้นก็บอกว่าเป็นวิญญาณหรือซาตานซึ่งเกี่ยวกับพิธีบูชายันมเมาชีวิตของผู้หญิงคนนั้นไปเมื่อเราได้ยินดังนั้นก็รู้สึกช็อกมากเราเชื่อทุกคาที่เขาพูดเลย และรู้สึกโชคดีที่ตัดสินใจย้ายกันออกมา mm. เด็กเซอร์พูดต่ออีกว่ารู้จักเจ้าของบ้านนั้นอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ mm. เขาเป็นลูกกลานของคนดูแลที่พักในระแวกนั้นซึ่งรับช่วงต่อแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นอีกไม่อยากเชื่อ ว, ว่าเขาจะเปิดที่พักแห่งนี้ให้คนอื่นมาเช่าอยู่แล้วเราก็กลับมาคิดกันว่า มีเหมียวคนเดียวที่เห็นหน้ากากนั้นในฝันและจะโดนเล่นงานหนักอยู่คนเดียวหรือว่าเหมียวคือคนต่อไปที่พวกวิญญาณละทินั้นเลือกเราคุยกันและก็กลัวกันมากๆหลังจากคืนนั้นผ่านไปพวกเราก็ไปเที่ยวรัฐอื่นกันตามปกติพยายามไม่คิดอะไรแล้วก็เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพจนผ่านมาประมาณสามเดือนกว่าๆเรากับเหมียวและปาน อยู่หอพักที่มหาวิทยาลัยด้วยกันทั้งสามคนแล้วคืนนั้นเมียวกับป่านทํากิจกรรมจนดึกส่วนเราเลิกก่อนก็กลับมาที่ห้องแล้วคิดว่าจะตามไปเจอกันที่ร้านข้าวข้างล่างตอนคนอื่นๆเสร็จกิจกรรมเมื่อเมียวกับป่านเสร็จกิจกรรมแล้วก็ไปรอเราอยู่ที่ร้านข้าวแต่เรามัวแต่ดูทีวีเพลินเลยช้าก็บอกพวกนางไปว่ากําลังจะลงไปแล้ว แต่พวกนางบอกไม่เชื่อเราก็เลยถ่ายรูปตอนปิดไฟห้องส่งให้ดูว่ากำลังลงไปจริงๆนะแล้วก็ส่งรูปไปทางลายพอเราลงไปถึงเหนียวกับป่านก็ทำหน้าตกใจบอกดูในรูปที่มึงส่งมาสิเราเลยลองสังเกตดูตรงระเบียงแล้วซูมเข้าไป <S <S <S <S ก็เห็นเงาหน้ากากสีขาว เหมียวพูดกับเราเสียงสั่นว่าแบบนี้เลยที่เห็นในฝันเราสามคนรีบวิ่งขึ้นห้องและเปิดไปดูแต่ไม่มีอะไรตรงระเบียงนั้นเลยแล้วถ่ายรูปซ้ำที่เดิมก็ไม่มีรูปหน้ากากแบบเดิมอีกแล้วเราเอารูปนี้ให้เพื่อนคนอื่นดูทุกคนยืนยันว่าเป็นแสงที่กระทบเลยเกิดรูปร่างเราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นพยายามบอกกับเหนียว แต่เหมียวยืนยันว่าหน้ากากแบบนี้เลยที่เห็นในความฝันจนทุกวันนี้เรายังแปลกใจกับรูปนั้นว่าถ้าเป็นแสงสะท้อนจริงๆทำไมถึงบังเอิญเหมือนกับหน้ากากที่เหมียวเห็นในความฝันตอนนั้น สมภัทสิย